ข้าคอสนวนแนววิปัสสนาแสดงความแตกต่างระหว่างพระโสดาบันกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโสตาป น, นสูตรและอรหันตสูตรสังยุตตะนิกายขันธวารวักแสดงความแตกต่างระหว่างพระโสดาบันกับพระอรหันต์ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งสมุ ท, ทยัยความอัศ ด, ดงอัศธาธั อาทีนบและนิสรณะคือรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับส่วนดีส่วนเสียและภาวะอิสระหรือทางออกแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงอริยสาวกนี้เรียกว่าโสดาบันเป็นผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเมื่อใดภิกษุรู้ซึ่งสมุทยัย ความอัสดงอัสาธะอาทีนบและนิสรณะแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่มันเป็นจริงแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนี้เรียกว่าอารหันตขีนาศเป็นผู้อยู่จบเศรษกิจปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนหมดเครื่องผูกรัดไว้กับภพบเป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วน ในสังยุตตินิยมหาวาระวัตมีอีกสองสูตรที่มีข้อความเหมือนอย่างนี้แต่ต่างเพียงเปลี่ยนข้อธรรมจากอุปาทานขันห้าเป็นอย่างอื่นคือโสตารูรที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นอินสี่ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาและโสตปัณสูตรเปลี่ยนเป็นอินสียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในจุลสัจจกสูตร มัจฉมณีกายมูลปันนาศจการนิครนได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุผลเพียงไรหนอสาวกของท่านพระโคโดมผู้เจริญจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้ามวิจิกิจฉาปราศจากความเคลือบแกลงใจถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคำสอนของพระศาสดาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้หมายถึงพระโสดาบัน พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูคระอกิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ย่อมมองเห็นรูปทั้งปวงไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่ว่าภายในหรือภายนอกไม่ว่าไกลหรือใกล้ด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเรามิใช่เราเป็นนั่นไม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเรา มองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่มันเป็นจริงอย่างเดียวกับรูปด้วยเหตุผลเท่านี้แลสาวกของเราชื่อว่าเป็นผู้ตามตามคำสอนไม่ต้องอาศัยคนอื่นคือไม่ต้องเชื่อคนอื่นอยู่ในาศาสนาของพระาศาสดาสัจการนิ ค, ครนทูลถามว่าด้วยเหตุผลเพียงไรหนอท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นอรหันตะขีนาศ เป็นผู้หลุดพ้นเพราะรู้ถูกท่วนพระพุทธเจ้าประทับว่าดูกระอะกิเวสนะภิกษุในธรรมมาวินัยนี้มองเห็นรูปทั้งปวงไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่าไม่ใช่นั่นของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นม่ใช่นั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมั่น มองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามที่มันเป็นจริงดังนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นด้วยไม่ถือมัน่นด้วยเหตุผลเท่านี้แหลภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันตขีนาศหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ถูกท่วนเรื่องคุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ศึกษาเพิ่มเติมได้ในบทที่18ตอนว่าด้วยคุณสมบัติของพระโสดาบัน